หลวงพ่อจงพุทธาสาโรวัดหน้าต่างนอกตำบลหน้าไม้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช 2416-2508 อย่ามีความหลงไหลฝ่ฝันในชีวิตจองอย่าคิดว่าเราไม่ตายเราไม่แก่ให้คิดถึงอริยสัจเสียก่อนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกขสัจ พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ว่าจะสอนใครทั้งหมดเมื่อครึ่นสุดท้ายท่านก็ลงอริยสัจคิดให้เข้าใจเพียงแค่ทุกข์ขั์อย่างเดียวให้เข้าใจจริงๆถ้าเห็นทุก์ตัวเดียวอีกสามตัวปรากฏ คำว่าสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ในเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็รู้ว่าใครทําให้เราเป็นทุกข์อะไรทําให้เราเป็นทุกข์ไม่ต้องไปนั่งคิดถ้าเราเห็นทุกข์และ เข้าใจในทุกข์แล้วก็มีความเบื่อหน่ายในทุกขเพราะการเกิดนิโรธะความดับมันก็เกิดื่อนี้โรธะความดับเกิดขึ้นมาแล้วก็ชื่อว่าถึงที่สุดแห่งพุทธศาสนา เป็นความเข้าใจถึงที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอน